ทักขินัยะบุคคลหรือพระอริยบุคคล8นั้นว่าโดยระดับหรือขั้นตอนใหญ่แล้วก็มีเพียงสี่และสัมพันธ์กับการละสังโยชน์ดังนี้ทักกินัยะบุคคลหรือพระอริยบุคคลประเภทแรกคือพระเสขผู้ยังต้องศึกษาหรือสอปปาทิเศษบุคคลผู้ยังมีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่คือทักกินยยะบุคคล หรือพระอริยบุคคลสระดับแรกได้แก่ 1. พระโสดาบัน 2. พระสกทาคามีและ 3. พระอนาคามีพระโสดาบันได้แก่ผู้ถึงกระแสคือเข้าสู่มรดเดินทางถูกต้องอย่างแท้จริงหรือปฏิบัติถูกต้องตามอาริยมรดอย่างแท้จริงแล้วเป็นผู้ทําได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทําได้พอประมาณในสมาธิ และทําได้พอประมาณในปัญญาละสังโยชดได้สาคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาและสีลัพปต์ปรามาตพระสกะทาคามีได้แก่ผู้กลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกําจัดทุกได้สิ้นเป็นผู้ทําได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทําได้พอประมาณในสมาธิและทําได้พอประมาณในปัญญานอกจากละสังโยดสามข้อต้นได้แล้ว ยังทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางลงไปอีกต่อจากขั้นของพระโสดาบันพระอนาคามีได้แก่ผู้จะปรินิพานในที่ผุดเกิดขึ้นไม่เวียนกลับมาอีกเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในศีลทำได้บริบูรณ์ในสมาธิแต่ทำได้พอประมาณในปัญญาละสังโยชน์ได้อีกสองข้อคือกามาราคะและปฏิฆะ รวมเป็นละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ครบหข้อทักขินัยบุคคลหรือพระอริยบุคคลประเภทที่สองคือพระอเสคะผู้ไม่ต้องศึกษาหรืออนุปาทิเสสะบุคคลผู้ไม่มีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่เลยคือทักขินัยบุคคลหรือพระอริยบุคคลระดับที่สพระอารหันได้แก่ผู้ควรแก่ทักกินาหรือการบูชาพิเศษ หรือผู้หักกรรมแห่งสังสารรัชาได้แล้วเป็นผู้สิ้นอาสะวะเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในสิกขาทั้งสามคือศีลสมาธิและปัญญาละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีกทั้งห้าข้อรวมเป็นละสังโยชน์หมดทั้งสิบพระเสขะแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาคือยังมีกิจเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนที่จะต้องทำต่อไปอีกจึงได้แก่ทักกินายะบุคคล3มระดับต้น ซึ่งจะต้องปฏิบัติในศิกขาเพื่อละสังโยชน์และบรรลุธรรมสูงขึ้นต่อไปจนถึงเป็นพระอาหารหันต์ส่วนพระอาเศขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาคือทรรมกิจเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนเสร็จสิ้นแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่ต้องปฏิบัติในศิกขาต่อไปไม่มีกิเลส ท, ที่ต้องพยายามละต่อไปและไม่มีภูมิธรรมสูงกว่านั้นที่จะต้องขวนขวายบรรลุอีก จึงได้แก่พระอรหันต์สาอุปาทิเสสบุคคลคือผู้ยังมีอุปาทิเหลืออยู่คือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ซึ่งก็หมายถึงยังมีกิเลสเหลืออยู่บ <ing> ้างนั่นเองจึงได้แก่ทักินัยะบุคคลสระดับต้นส่วนอนุปาทิเสสบุคคลคือผู้ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่คือไม่มีอุปาทานเหลือซึ่งก็หมายถึงว่า ไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยนั่นเองจึงได้แก่พระอระหันต์พึงสังเกตว่าในที่นี้ในคำว่าสอุปาทิเสสาบุคคลและอนุปาทิเสสาบุคคลแปลคำอุปาธิว่าอุปาทานคือความยึดมั่นที่เป็นตัวกิเลสเองให้ต่างจากอุปาธิในสอุปาทิสาทเสสนิพานและอนุปาทิเสสนิพานซึ่งแปลว่าสิ่งที่ถูกยึดมั่น อันหมายถึงเบญจขันธ์ความจึงไม่ขัดแย้งกันหมายเหตุบันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งเรื่องสอุปาทิเศษะและอนุปาทิเศษักบางท่านถือเอาความหมายตามพุทธพจน์ในอังคุตรนิกายซึ่งจำแนกประเภทบุคคลผู้บรรลุนิพพานเป็นสองอย่างคือสอัปาทิเศษบุคคลบุคคลผู้ยังมีอุปาทานเหลือ หรื อ, อยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างกล่าวคือพระเสขะได้แก่พระโสดาบันพระสกธาคามีและพระอนาคามีกับอนุปาทิเสสะบุคคลบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานเหลือหรือไม่มีเชื้อกิเลสเหลืออยู่เลยได้แก่พระอเสขะคือพระอรหัน์จึงแปลคําว่าอุปาทิเป็นอุปาทานคือตัวความยึดมั่น แล้วจำกัดความหมายของนิพพานสองอย่างนั้นว่า 1. สะอุปาทิ่เสสนิพพานธาตุนิพพานที่ยังมีอุปาทานเหลืออยู่หรือนิพพานของผู้ยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างได้แก่นิพพานของพระเสขะคือพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามี 2. อนุปาทิ่เสสนิพพานธาตุนิพพานที่ไม่มีอุปาทานเหลืออยู่เลยหรือนิพพานของผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลย ได้แก่นิพานของพระอ세กะคือพระอาหารหันต์การแปลความหมายอย่างนี้เกิดจากความสับสนระหว่างภาวะกับบุคคลภาวะคือสอัพปาที่เสสนิพานและอนุปาทิ่เสสนิพานบุคคลคือสอัพปาทิ่เสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลความต่างระหว่างภาวะกับบุคคลนั้นกล่าวคือ นิพพานสองนั้นเป็นการแสดงภาวะของนิพพานเท่าที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนบุคคล2เป็นการแสดงถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิพพานดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนพึงแยกสอุปาทิ่เสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานไว้พวกหนึ่งกับแยกสอุปาทิเสศ บ, บุคคลและอนุปาทิ่เสศ บ, บุคคลไว้อีกพวกหนึ่งไม่ให้ปะปนกัน และสับสําคัญที่จะช่วยแยกความหมายในกรณีนี้ก็คืออุปาธิในสัปาธิเสสนิพานและอนุปาธิเสสนิพานซึ่งแตกต่างจากอุปาธิในสัปาธิเสสบุคคลและอนุปาธิเสสบุคคลจบบันทึกที่หนึ่งขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไปพึงสังเกตว่าในที่นี้ในคําว่าสัพปาธิเสสบุคคล และอนุปาทิเสสาบุคคลแปลคำอุปาทิว่าอุปาทานคือความยึดมั่นที่เป็นตัวกิเลสเองให้ต่างจากอุปาทิในสอุปาทิเสสนิพานและอนุปาทิเสสนิพานซึ่งแปลว่าสิ่งที่ถูกยึดมั่นอันหมายถึงเบญจขันธ์ความจึงไม่ขัดแย้งกันในพระสูตรที่แสดงข้อปฏิบัติสมคัญสาคั ญ, คญเช่นสติปัฏฐานสี่ อิทธิบาทสอินส5หเป็นต้นในตอนท้ายมักมีพุทธพจน์ที่ตรัสทำนองสรุปแบบส่งเสริมกำลังใจของผู้ปฏิบัติว่าเมื่อได้บำเพ็ญข้อปฏิบัตินั้นๆแล้วพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองอย่างนี้ได้คือทิเทวะธรรมเมอัญญาสติวาอุปาทิเสเสอนาขามิตาคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็เป็นอนาคามีซึ่งเห็นได้ชัดว่าคำว่าอุปาทิในกรณีเช่นนี้หมายถึงอุปาทานหรือพูดอย่างกว้างๆ ว, ว่ากิเลสนั่นเอง